แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าเขย่าวขวัญเจ้าป่าทวงสัจจ์สวัสดีครับทีมงานแถวนี้ผีดุผมชื่อชาญอายุ36ปีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวลี้ลับและน่ากลัวที่สุดในชีวิตของผม เมื่อครั้งหนึ่งประมาณสิบกว่าปีที่แล้วผมได้ไปท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานซึ่งเป็นบ้านเกิดของเพื่อนสนิทผมเองเพราะโดยส่วนตัวผมและเพื่อนชอบท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติชอบถ่ายรูปแมลงสวยๆดอกไม้ป่าและในสถานที่แห่งนี้ก็เช่นเดียวกันยังมีป่าไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่อีกทั้งเป็นผืนป่าที่อยู่บริเวณตีนเขาไม่ลึกมากนักและเราเห็นว่ามีศาลาหลังเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งเพื่อนผมบอกว่า ชาบ้านสร้างไว้ให้พระธุดงที่ผ่านไปมาแถวนี้ได้มาพำนักด้านในศาราที่ผมขึ้นไปดูมีของใช้สอยที่ญาติโยมเอามาถวายพระทั้งนั้นทั้งสบงชีวรนผ้าเช็ดตัวสบู่ยาสีฟันและอื่นๆอีกจํานวนหนึ่งที่วางไว้อย่างเป็นระเบียบเพื่อนผมบอกว่าป่าแห่งนี้จะมีพระธุดงผ่านมาอยู่บ่อยครั้งแต่คราวนี้ซึ่งเป็นหน้าฝนและอยู่ในช่วงเข้าพรรษาพระคงจํำวัดอยู่ที่อื่นไม่ได้ออกมาธุดง ผมและเพื่อนจึงได้โอกาสที่จะนอนค้างบนศาลา น, นี่เสลยเพราะคืนนี้ดูท่าทางแล้วฝนน่าจะตกหากกลางเต็นกลางป่าคงไม่รอดแน่ๆเย็นวันนั้นผมกับเพื่อนก็แบกเป้สัมภาระมาเรียบร้อยโดยมีเพื่อนของลุงมาส่งตอนแรกลุงไม่อยากให้พวกเรามานอนที่นี่เท่าไหร่นักเพราะว่ากันว่าในป่าแห่งนี้มีเจ้าป่าที่ดุมากแต่ในฐานะที่ผมไม่ค น, นอนในป่ามาก็หลายที่จึงไม่ได้เกรงกลัวเท่าไหร่นักเพราะที่ผ่านมา เรื่องผีสางนางไม้ที่เขาเห็นกันเป็นตัวๆผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยสักครั้งแต่สําหรับเพื่อนผมที่เป็นคนในพื้นที่มันก็บอกว่าได้ยินคนเฒ่าคนแก่ร่าลือมาเหมือนกันแต่เพราะตัวมันไปเรียนกรุงเทพตั้งแต่ยังเด็กก็เลยไม่ได้สนใจว่าในป่าแห่งนี้จะน่ากลัวเหมือนอย่างที่คนอื่นพูดกันแต่เพื่อความสบายใจของทุกคนลุงจึงพาพวกเราไปไหว้ศาลแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากศาลาที่พักสงไปเล็กน้อยเป็นศาลคล้ายๆศาลพระภูมิ มีเสาเดียวมีดอกไม้อาหารคาวหวานที่ชาวบ้านนำมาถวายลุงบอกว่าศาลแห่งนี้มีชื่อว่าเจ้าปู่เจ้าตาว่ากันว่าท่านเป็นยักษ์ประเภทหนึ่งที่ทำหน้าที่ดูแลผืนป่าในบริเวณนี้หากใครเข้ามาในพื้นที่และต้องการทำสิ่งใดก็ต้องจุดธู่บอกท่านเสมอๆพวกเราก็ได้แต่ยืนฟังและไม่ได้ออกความเห็นใดๆเพราะโดยส่วนตัวผมแล้วก็ไม่เคยเห็นสิ่งลี้ลับหรือวิญญาณด้วยตาสักครั้ง จึงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งลุงหยิบทูปให้ผมและเพื่อนคนละเก้าดอกแล้วจุดไฟพร้อมบอกกับเจ้าป่าว่าพวกเราจะมาขออาศัยในป่าแห่งนี้เป็นเวลาสามวันและรับปากว่าจะไม่นำสิ่งใดกลับไปและจะไม่ทำอะไรที่เป็นการสร้างความรบกวนให้เกิดขึ้นกับพื้นป่าที่แห่งนี้เป็นอันขาดเมื่อวหวเจ้าที่เจ้าทางเสร็จแล้วพวกเราก็ได้เดินขึ้นไปบนศาลาที่พักเพื่อเก็บกวาดให้เข้าที่เข้าทาง พจะได้การเต็นท์นอนบนศาลาขณะที่ลุงก็ช่วยหาฟืนมาก่อไฟไว้ให้ลุงบอกกับพวกเราว่าอากาศแบบนี้อาจจะมียุงชุมมากให้พวกเราใส่ฟืนไว้ตลอดคืนส่วนตัวของลุงเองอยากนอนเป็นเพื่อนด้วยแต่ติดตรงที่ไม่มีใครเฝ้าบ้านแกจึงขอตัวกลับซึ่งพวกผมก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยคิดว่าไม่มีความจำเป็นที่ลุงจะต้องนอนด้วยอยู่แล้วไม่นานนักฟ้าก็เริ่มปิดสนิทความมืดเข้ามาเยือน นกเริ่มบินกลับรังเสียงเจ้าแจของมแมลงต่างๆได้ดังขึ้นทั่วป่าเสียงน้ำที่ลำธารซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ50เมตรดังซัดสาดค่อนข้างแรงเมื่อได้ยินเสียงน้ำในเวลานั้นผมนึกอย่างเดียวว่าต้องไปอาบน้ำที่ลำธารเพราะเหนียวตัวมากจึงชวนเพื่อนให้ไปด้วยกันเพราะนี่ก็ค่ามืดแล้วและอีกไม่นานฝนก็คงจะตกถ้าไม่อาบน้าตอนนี้เลยก็คงจะไม่ได้อาบและนอนไม่หลับกันแน่ ผมกับเพื่อนเดินไปที่ลําธารโดยใช้ไฟฉายสองไปจนเราเจอกับลําธารในที่สุดมันเป็นลําธารเล็กๆที่มีน้ําไหลผ่านซอกหินผมกับเพื่อนจัดแจงถอดเสื้อผ้านุ่งเฉพาะผ้าขาม้าแล้วใช้ขันอาบน้ําตักอาบเพราะลําธารแห่งนี้ค่อนข้างเล็กจะลงไปอาบให้ท่วมตัวเหมือนน้าตกก็คงไม่ได้ระหว่างที่อาบน้ําชําระร่างกายอยู่นั้นเพื่อนผมก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยมึงดูดิข้าป่านนี้จะมีคนมาเดินเล่นด้วย มันพูดพลันมองไปตรงป่าข้างๆลำทารที่แสงไฟฉายซึ่งพวกเราวางไว้ตรงโขดหินส่องไปถึงเห็นผู้ชายวัยกลางคนสามคนนุ่งสะดงกับเสื้อมอห้อมสีดําเดินเหนือลำทารขึ้นไปกูว่าคงเป็นชาวบ้านแถวนี้แหละเขาคงมาหาล่าสัตว์มาหาของป่าไม่ได้มาเดินเล่นอย่างที่มึงคิดหรอกไอ้บ้าเพื่อนผมหัวเราะแล้วตอบว่ามันเป็นแค่มุกเท่านั้นผมกับเพื่อนอาบน้ําจนเสร็จแล้วจากนั้นจึงกลับศาลาที่พัก ผมกับเพื่อนจึงสวมใส่เสื้อผ้าพร้อมจะหุงหาอาหารโดยผมเป็นคนมาต้มน้ำส่วนเพื่อนก็หาของกินเป็นซองบะหมี่ขนมและอื่นๆในกระเป๋าอยู่บนศาลาแต่ในระหว่างที่ผมกำลังวางหม้อต้มก็มีเสียงใครบางคนพูดขึ้นมาโดยจับไม่ได้สักเพราะพูดเหมือนภาษาท้องถิ่นทางอีสานที่เพื่อนผมอยู่นี่เองแต่พูดเร็วมากผมหันไปตามเสียงนั้นทันทีก็เห็นผู้ชายชุดดาที่เจอตรงลำทารสามคน มายือนอยู่ตรงหน้าผมซึ่งตอนนี้ผมเห็นหน้าตาพวกเขาค่อนข้างชัดเจนพวกเขามีรูปร่างที่สูงใหญ่กำยำเหมือนคนสมัยโบราณผิวดำกร้านหัวล้นทุกคนจะมีไส้ขนาดใหญ่คล้ายๆกับโซ่พันเฉียงบ่าพวกเขาไม่ใส่รองเท้าและมีกลิ่นตัวที่แปลกๆจะว่าหอมก็ไม่หอมจะว่าเหม็นก็ไม่เชิงพวกเขาจ้องมองมาที่ผมแต่หนึ่งในชายเหล่านั้นก็พูดคำคำนั้นอีกซึ่งผมฟังไม่รู้เรื่อง จึงเรียกเพื่อนที่อยู่บนศาลาให้ออกมาเพื่อนผมได้วิ่งมาและถามว่ามีอะไรกันหนึ่งในชายชุดดําพูดอีกครั้งเพื่อนผมอดขำไม่ได้จึงหัวเราะออกมาเบาๆและมาแปลให้ผมฟังว่าเขาถามพวกเราว่าพวกเราเป็นคนคหรือเปล่าผมได้ยินแบบนั้นถึงกับกลั้นหัวเราะไม่อยู่เหมือนกันแต่พวกเขากลับมองพวกเราหน้าตาเฉยไรยความรู้สึกไม่หัวเราะไม่ยิ้มแล้วก็พูดมาอีกประโยคหนึ่งเพื่อนผมก็ตอบพวกเขาไปจากนั้น พวกเขาก็ได้เดินหันหลังกลับไปโดยที่ไม่พูดอะไรต่อเขาหายไปในความมืดโดยที่พวกเราไม่ได้สนใจอะไรจากนั้นผมจึงถามเพื่อนด้วยความสงสัยเฮ้ยเมื่อกี้ก็ถามมึงว่าอะไรอีกวะเขาถามว่าพวกเราจะอยู่กี่วันกูก็บอกไปว่าสามวันแค่นี้แหละเพื่อนผมตอบรอยหน้ายังเปื้อนยิ้มมึงว่าเขาผิดปกติปะวะเมื่อถามว่าพวกเราเป็นคนหรือเปล่าผมหันไปถามเพื่อนอีกครั้งกูว่าผมเป็นพวกชาวบ้านที่สติไม่ค่อยดี หรืออาจจะถามควรประสาทก็ได้นะเพื่อนผมพูดท่านฉีตซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงในหม้อต้มน้ำที่กำลังเดือดจากนั้นเราก็กินบะหมี่กันและพูดคุยเรื่องอื่นๆต่อไปโดยไม่ได้สนใจเรื่องเมื่อครู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อมาฝนก็เริ่มลงเม็ดพวกเราจึงขึ้นไปบนศาลาเพื่อหลบฝนทำให้กองไฟนั้นดับลงไปด้วยเพราะน้าฝนตกใสจนหมดผมกับเพื่อนจึงใช้ไฟฉายแทนแสงสว่าง พันเหลือบดูนาฬิกาก็เกือบเกือบสี่ทุ่มแล้วแต่เพราะที่นี่เป็นป่าอีกทั้งฝนตกด้วยจึงทำให้ดูเหมือนดึกดื่นมากพวกเราจึงเข้าเต็นท์นอนกันซึงการไวเพียงเต็นท์เดียวเท่านั้นทันทีที่หัวถึงหมอนประกอบกับฝนตกอากาศเย็นกำลังดีผมกับเพื่อนฝอ ย, ยหลับไปตอนไหนไม่รู้เลยมารู้สึกตัวอีกครั้งก็เช้าจนได้ยินเสียงนกเสียงกาดังไปทั่วป่าตลอดวันพวกเราก็เดินสำรวจป่าตามแผนที่วางไว เดินเล่นไปถ่ายรูปไปตามสถานที่ต่างๆบ้างกิจกรรมของพวกเราเป็นเช่นนี้ตลอด3วันจนในวันสุดท้ายคือคืนที่3ผมพูดกับเพื่อนว่าอยากอยู่ต่ออีกสักคืนเพราะอยากจะเดินไปดูภูเขาอีกลูกเพื่อนผมก็ไม่ได้ขัดอะไรเพราะมันก็ยังไม่อยากกลับเหมือนกันคืนที่3เป็นอีกคืนหนึ่งที่มีพายุฝนและลมกันโชกแรงจนพวกเราต้องหลบในเต็นท์ด้วยอากาศที่เป็นใจและเวลานี้ก็ดึกมากแล้ว แถมเพราะด้วยเดินทางมาทั้งวันก็เหน็ดเหนื่อยจึงนอนหลับกันไปอย่างไม่รู้ตัวจากนั้นประมาณสองชั่วโมงผมก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงบางอย่างเหมือนเสียงกระทืบเท้าบนศาลาดังตึงๆวนไปเวียนมารอบๆ บ, บเต็นท์ทำเอาศาลาสนั่นวันไหวไปหมดคลั่กคล้าไปกับเสียงฝนที่ไม่ยอมหยุดตอนนั้นผมคิดว่าคงเป็นเสียงฝ้าร้องครืนๆบวกกับแรงลมจึงทําให้รู้สึกเหมือนศาลาสั่นไหวแต่ทันใดนั้นเพื่อนผมก็ตื่นขึ้น เพราะได้ยินอย่างว่าอีกเหมือนกันและสะกิดผมที่นอนอยู่ข้างข้างมึงมึงตื่นอยู่ใช่ป่ะเออกูก็ตื่นเมื่อกี้แหละเสียงฟ้าร้องฟ้าล้่นขนาดนี้แต่กูว่าไม่ใช่นะไมนเหมือนคนกระทืบเท้ารอบรบเต็นเลยวะ่ะเสียงลมหรือเปล่าว่ามึงลมมันแรงทําให้สารามันไหววๆบางทีก็ดังเหมือนมีคนกระทืบเท้าแบบนี้แหละผมพูดปัดปัดไปเพราะในิใจก็เริ่มฉุกคิดแล้วว่ามันอาจไม่ใช่เสียงฟ้าร้องหรือเสียงลมก็ได้เพราะมันใกล้ตัวมากๆ หรือว่ามันจะเป็นเสือเป็นพวกสัตว์ป่าวะเพื่อนผมพูดด้วยอาการตระนบซึ่งตอนนั้นผมก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันว่าหากมีสัตว์ป่ามาหากินอาหารบนศาลาพวกเราอาจจะกลายเป็นอาหารของพวกมันก็ได้กูว่านิ่งๆก่อนผมพูดปลอบใจเพื่อนตอนนั้นพวกเราเงียบสนิทไม่มีใครพูดอะไรได้ยินแต่เสียงดังตึงๆรอบเต้นศาลาก็ไหวๆจนตัวพวกเราแทบกระเด็นออกจากที่นอนแต่ไม่นานนะ เสียงดังนั้นก็เงียบไปมันไปแล้วใช่เปล่าวะเสียงเพื่อนผมกระซิบกระซาบมาข้างหูเบาๆกูไม่รู้ว่ะเงียบๆไว้ก่อนเถอะมึงผมปราบเพื่อนขณะที่ในใจยังหวั่นหวันว่ามันอาจจะยังไม่ไปพวกเรานอนนิ่งอยู่อย่างนั้นร่วมชั่วโมงจนเสียงฝนซาลงทุกอย่างเริ่มเงียบสงับแต่ผมกับเพื่อนก็ยังไม่หลับเงียบไปนานแล้วนะมึงมันน่าจะไปแล้วละ่ะเพื่อนผมพูดขึ้นเออกูก็ว่างั้นแหละ ผมพูดครันดูนาฬิกานี่ก็เกือบตีห้าแล้วซึ่งได้เวลาที่ผมต้องเข้าห้องน้ําซึ่งอยู่ด้านหลังศาลามุงไปเป็นเพื่อนกันหน่อยดิผมขอร้องให้เพื่อนไปเป็นเพื่อนเพราะคืนนี้รู้สึกกลัวบอกไม่ถูกเหมือนกันขณะที่ผมกับเพื่อนออกจากเต็นท์เดินลงบันไดศาล า, าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเฮ้ยผูเราอุทานเป็นเสียงเดียวกันเพราะแสงไฟฉายที่ผมถืออยู่ส่องไปข้างหน้าพบกับชายรูปร่างสูงใหญ่ประมาณ2เมตรผิวดํำเมี่ยม พุงพลุ้ยนุ่งจงกระเบนสีแดงไม่สวมรองเท้ามีสร้อยสังวาลสีทองผ้าเฉียงบ่าผมหยิกๆทั่วหัวแววตาของเขาแดงกล่ำจ้องมองมาที่ผมกับเพื่อนแล้วเอตโรเสียงดังซึ่งผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พอจับใจความได้ว่าเขาตำหนิที่พวกเราอยู่เกิน3มวันแต่ประโยคถัดจากนั้นผมไม่ทราบจริงๆว่าหมายถึงอะไรตอนนั้นพวกเราได้แต่นิ่งอึง้งเหมือนมิม น, มนสกดเพราะจ้องมองแต่หน้าเขาทั้งที่มีสติ แต่ละสายตาจากหน้าเขาไม่ได้เลยเหมือนคนกําลังช็อกขณะที่พวกผมกลัวจนตัวสั่นและยืนนิ่งขาแข็งไปไหนไม่เป็นชายคนนั้นก็เดินกระทืบเท้าเสียงดังไปจากหน้าศาลามุ่งหน้าไปทางศาลที่พวกเราไปกราบไหว้กันในวันแรกแล้วหายลับไปกับความมืดผมกับเพื่อนได้แต่ยืนอยู่กับที่ตัวสั่นไปหมดต่างคนต่างพูดอะไรไม่ออกเป็นเวลาอยู่นานประมาณกว่าครึ่งชั่วโมงจนร่างกายขยับได้ แล้รีบขึ้นศาลามุดเต็นนอนคลุมโปงจวบจนกระทั่งเช้าก็ได้ยินเสียงลุง ม, มาปลุกบอกว่านี่เกือบเที่ยงแล้วแต่พอมาจาับตัวพวกเราปรากฏว่าตัวร้อนมากผมนี่ได้แต่นอนสั่นมันหนาวเย็นไปหมดเพื่อนผมก็เช่นกันจากนั้นลุงค่อยๆพยุงพวกผมไปขึ้นรถกระบะตรงตีนเขาและพาไปโรงพยาบาลคิดว่าพวกเราเป็นไข้ป่าผมจําได้ว่านอนโรงพยาบาลอยู่3วันจนกระทั่งผู้จารู้เรื่องแล้วจึงพูดให้ลุงฟัง ลุงบอกว่าชายที่นุ่งจงกระเบนน่าจะเป็นเจ้าป่าที่เป็นยักษ์ประเภทหนึ่งชาวบ้านเรียกว่ากุมภันส่วนผู้ชายชุดดำสามคนน่าจะเป็นบริวารเจ้าป่าอีกทีหนึ่งเจ้าป่าท่านจะมีสัจจะและไม่ชอบคนผิดสัจจะแค่พวกผมพูดว่าจะอยู่ต่ออีกคืนหนึ่งเป็น4ี่คืนทั้งแต่เดิมบอกว่าจะอยู่สามคืนก็โดนดีจนได้เพื่อนผมพูดว่าประโยชน์ที่เจ้าป่าพูดนั้นเจ้าป่าบอกว่าไหนพวกมึงบอกจะอยู่แค่สมวันไอ้คนผิดสัจจะ เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ผมรู้ว่าพูดคําไหนต้องเป็นคํานั้นไม่งั้นอาจจะเจอดีได้หากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ